วันที่15เมษายนของทุกปีชาวตำบลบางม่วงหมู่ถือเป็นวันกระตันยูต่อบรรพบรุษพวกลูกหลานจะแสดงความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยการรดน้ำดำหัวนำเสื้อผ้ามาให้อาบน้ำล้างเท้าขอขมาลาโทษต่อบิดามารดาและบุภาการีพวกผู้ใหญ่ที่สูงอายุก็จะ อ, อํำนวยอวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข ส่วนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วลูกหลานก็จะนำกระดูกที่เก็บใส่โกรไว้ไปให้พระที่วัดบังสกุลเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณและอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้บุภาการีผู้ล่วงลับแม่จวนทิดพองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันมาอาบน้ำให้ยายที่บ้านซึ่งยายจะเตรียมขนมจีนน้ำยาวไว้เลี้ยงคนที่เหนื่อยที่สุดในงาน เห็นจะได้แก่หนุ่มเจริญเจรุนรัตด้วยว่ายายไม่ค่อยแข็งแรงเช่นแต่ก่อนกําลังวังชาถดถอยลงไปเพราะสังขารเสื่อมหนุ่มเจริญซื้อผ้าจงกระเบนให้ยายและไม่จวนคนละถุงเสื้อคอกระเช้าสีขาวคนละตัวส่วนทิดพองได้ผ้าขม้าเนื้อดีที่สุดในตลาด ยายชอบไหมผ้าถุงสีนี้หนะักนุ่มน้อยถามเขาเลือกสีเปลือกมังคุดให้ยายด้วยเห็นว่ายายไม่เคยมีผ้านุ่งสีนี้มาก่อนชอบสิไอ้หนูเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตที่เองให้ยายทำไมยายจะไม่ชอบละ่ะว่าแต่ว่า เออาเงินทองมาจากไหนถึงได้ซื้อของแพงๆอย่างนี้มาตังมากมายยายฮะยายถามหาที่มาผมเก็บรวบรวมไว้ครับรับรองว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ผุดพองจริงๆคําว่าบริสุทธิ์ข้าหมายเพียงว่าไม่ได้ขโมยของยายหรือของผู้อื่น ขอให้จำเริญจำเริญ น, นะลูกนะแม่จวนให้พรลูกมือลูบไล้ผ้าจงกระเบนสีหมักสุกที่ลูกให้พ่อละครับชอบพักขม้าผืนนี้หรือเปล่าชอบที่สุดเลยไอ้หนูพ่อไม่เคยใช้ผ้าเนื้อดีๆอย่างนี้มาก่อนเพราะเห็นว่าราคามันแพงเองไม่น่าจะเสียเงินเสียทองซื้อมาให้พ่อเลยน่าจะเก็บไว้เป็นทุนเรียนหนังสือ ทิศพองพูดตามประษาคนตรนียายชอบเคยผู้นี้มากกว่าคนอื่นๆรงเขามีนิสัยเหมือนยายคือผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะทดแทนบุญคุณของยายและพ่อแม่เพราะอีกสองเดือนผมก็ต้องไปเรียนที่บางกอกกว่าจะได้กลับมาพบกันอีกก็คงหลายปีหรือถ้าเคราะหามยามร้ายไปตายเสียที่บางกอก ก็จะไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณหนุ่มน้อยพูดเศร้าๆนึกถึงเจ้าปูหอยตัวนั้นหากมันถูกฆ่าตายตัวเขาก็คงอายุไม่ยืนไอ๋หนูเอ็งอย่าพูดเป็นหลางอย่างนั้นเอ็งยังไม่ตายง่ายๆรักเพิ่งจะอายุส6หยายตั้งแปดสิบสี ยังไม่ตายเลยยายสัญญาว่าจะประคองชีวิตอยู่ต่อรอเอ็งกลับความรักหลานทำให้ยายพูดในสิ่งที่ผิดต่อหลักของเหตุและผลได้เหมือนกันถ้าเองต้องเสี่ยงอย่างนั้นแม่ว่าไม่ต้องไปเรียนดีกว่าอยู่บ้านนอกบ้านานานนี่แหละแม่จวนพูดเพราะห่วงลูก เหลวไหลหนาไม่อีนูทิศพองว่าเมียคนเราถ้าจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งคนเราจะอายุยืนหรืออายุสั้นก็อยู่ที่กรรมพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่หมันทําปานาติบาสนั่นหรอกถึงจะอายุสั้นไอหนูลูกเรามันเคยไปฆ่าใครที่ไหนล่ะ อยู่กับยายถือศีลกินเพนกับยายมาโดยตลอดทิ์พองพูดเพราะไม่รู้วิรกรรมของลูกชายแม่จวนรู้แค่ว่าเขารับจ้างงมหอยมาเลี้ยงเป็ดส่วนยายรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่แม่จวนรู้คำพูดของทิ์พองทำให้ลูกชายนั่งเงียบตัวเขานั้นรู้ดีกว่าใครเพื่อนว่าได้คฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมากมายเพียงใด เมื่อพูดถึงผลของบาปจึงทําให้ใจเขาเศร้าหมองเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะไปหาขนมจีนมาสู่กันกินดีกว่าทิดพองว่าบรรดาพี่ๆของหนุ่มเจริญพากันฟังอยู่ห่างๆรวมทั้งพี่เขยสองคนนั้นด้วยได้ยินบิดาสั่งให้หาขนมจีนพวกหล่อนจึงจัดการไปจัดสำรับแล้วยกออกมาสู่กันกิน ใกล้จะไปบางกอกแวะไปหาค่าบ้างนะข้ามีอะไรจะให้จำเรียงบอกน้องชายยังติดใจฝีมือทําปีพาดของเขาในวันที่หล่อนแต่งงานหล่อนย้ายออกไปอยู่บ้านผู้ใหญ่ส่งซึ่งเป็นพ่อผัวเพราะทิศพุธเป็นลูกชายคนสุดท้องพี่พี่แต่งงานออกเรือนไปหมดจึงไม่มีใครอยู่กับบีดาส่วนมารดานั้นเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่ผ่านมา แล้วพี่จําเรียงหม่นมาเยี่ยมยายบ้างนะเขาบอกพี่สาวตกลงทิดพุธต้องมาเป็นเพื่อนฉันนะหล่อนอ้อนสามีได้แต่ต้องให้ข้าว่างก่อนนะทิดพุธว่าจําแรงเองต้องปรนนิบัติยายให้ดีนะอย่างน้อยๆก็ให้ดีเท่ากับข้าแต่ถ้าจะดีเกินหน้าข้าก็ไม่เป็นไร เขาบอกพี่สาวที่อายุแก่กว่าเพียงหนึ่งปีและเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยอมเรียกพี่เพราะตอนเด็กๆทะเลาะ ก, กันบ่อยถ้าไม่ดีเท่าเองละ่ะจะทำไม่ะานางสาวจาแรงยั่วแล้วเองจะรู้ข้ากลับมาเมื่อไหร่เองโดนเล่นงานแน่เกิดเองไม่กลับละ่ะข้าหมายถึงเองไปตายซะที่บังกอกจาแรง ยายกับแม่จูนร้องเสียงหลงส่วนหนุ่มเจริญนั้นใจเป้าลงไปอีกแทบจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปเรียนบังกอกเสียเดี๋ยวนั้นในชีวิตเขาไม่เคยกลัวอะไรมากเท่ากับความตายหนังคนปากไม่มีมงคลปากไม่มีซับยายว่าอย่างนี้มันต้องตกให้ฝันร่วงให้ปากแตกกินน้าพริกไม่ได้สักเดือนนึง ทิ์พองว่าลูกสาวคนเล็กนางสาวจำแรงหน้าซีดรู้สึกตัวว่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดจึงแก้ว่าแค่พูดเล่นน่ะไม่ได้ตั้งใจถ้าขอโทษไม่เป็นไรทีหลังเองก็อย่าปากมากปากมอมอย่างนี้อีกก็แล้วกันเอาละลงมือกินขนมจีนกันได้ประเดี๋ยวพวกลุงป้านาอาก็คงพากันมาเต็มบ้านในจะพวกลูกหลานและยังมีพวกเขยพวกสะภ้ยอีก หนุ่มเจริญจระไนหน้าแหลงน้ำในหนองเล็กๆพากันแห้งขอดด้วยฝนไม่ตกหนองน้ำหลังบ้านตะแปะทรงที่หนุ่มเจริญใช้เป็นที่ทำมาหากินก็แห้งจนเหลือแต่เปลือกตม เหล่าปูปลาพากันดิ้นกระเสือกกระสนพวกเด็กๆแห่กันมาจับไปแกงกินซะ ก, ก็มากที่หลงเหลืออยู่ก็แห้งตายอยู่ในโคลนหนองน้ำที่ใหญ่และน้าลึกยังคงเป็นที่อาศัยของหอยปูปลาเมื่อหนองน้ำหนึ่งแห้งลงหนุ่มเจริญก็เปลี่ยนไปหนองน้ำอื่นซึ่งไกลออกไปเรื่อยๆเขาต้องมาเลี้ยงเป็ดไชนีตะแป้งสง ด้วยว่าตอนสงกรานเงินเขาไม่พอซื้อของจึงขอเบิกล่วงหน้ามาสองตำลึงแต่แปะสงให้ทำงานใช้นี่แก่20สิวันโดยคิดค่าดอกเบีย้ยสองบาทแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบหากเขาก็ต้องยอมด้วยว่าไม่มีทางเลือกเขาได้แสดงความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณไปเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนสงกรานเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต แม้จะต้องมาทำงานใช้นี่ตะแปะอีก2ี่วันก็ตามตะแปะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่อ้วเป็นหนี้ลือพรุ่งนี้อ้วก็จะได้ค่าจ้างวันละห0สตางค์เหมือนเดิมหวังนี้หวังทีข่าวหลายตะแปะทรงถามวันที่ส0สเมษาอ้วเอาเงินลือไปวันที่สิบ ทำงานใช้2ี่ิวันก็ครบพอดีคายบอกลือกคักอีกหนึ่งวังเพราะวังที่ส5ห้าลือมหมายหลายมาทำงานแต่แปะไม่ยอมเสียเปรียบงั้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเอาละถ้าอย่างนั้นมรืนนี้หรือต้องจ่ายค่าจ้างอัวและอัวก็ขอขึ้นเป็นเวลาห0สสตางค์เพราะอัวต้องไปหาไกลๆหนองน้ำใกล้ๆมันแห้งหมดแล้ว เมื่อแกเข็มมาเขาก็ต้องเข็มไปบ้างหม่ขึงอ้วกไม่ขึงหายลึกงั้นโอ้วก็จะไปหาที่ใหม่ทําตกลงพรุ่งนี้อ้วกจะมาทํางานให้หรือเป็นวันสุดท้ายเขายื่นไม้ตายแต่แปะสงต้องใช้ความคิดอย่างหนักนับตั้งแต่อตีคนนี้มารับจ้างเลี้ยงเป็ดเขาขายไข่ได้ราคาและได้กําไรมากกว่าค่าจ้างหลายเท่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นมาทํา อาจจะไม่ดีเหมือนอติคนนี้ก็ได้จึงพูดออมชอมว่าเอาอย่างนี้โอ้วหายืืวังละหาสิบซาตางไม่เอาหรือเอาเปรียบอ้วมามากแล้วแค่ขอยืมเงิน2ี่สวันหรือคิดดอกตั้งสองบาทเขาตอว่าต่อขานตกลงอ้วขึงหายืืเป็นห0ซาตางก่อหลผู้ว่าจ้างยินยอมโดยง่ายด้วยคำนวณดูแล ว, ว่า มีกําไรหลายเท่าตัวเดือนต่อมาหนุ่มเจริญจำต้องออกไปหาหอยอย่างหนองหม้อแกงหนองน้ำใหญ่ที่ไกลจากบ้านตะแปะไปถึงสมกิโลเมตรหากไม่ทำเช่นนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีหาคือแทนที่จะงมหอยจากในน้ำก็ต้องเปลี่ยนมาขุดหอยจากในดิน ซึ่งวิธีหลังนี้กว่าจะได้เต็มกระแตงก็ใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวันเขาจึงเลือกวิธีแรกโดยยอมเดินไกลออกไปวันนี้เขาต้องออกไปยังหนองหม้อแกงซึ่งใกล้บ้านลุงศินผู้เป็นพี่ชายของแม่จวนมารดาของเขาหนุ่มน้อยคิดว่าเมื่อได้หอยเต็มกระแตงแล้วก็จะแวะบ้านลุงศินขอกินข้าวเที่ยงสักมือ้อ แล้วค่อยกลับไปที่เล้าเป็ดตะแปะสงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็งมหอยได้เต็มกระแตงกำลังจะขึ้นจากน้ำเท้าก็ไปเหยียบสิ่งสิ่งหนึ่งคล้ายก้อนหินกลมๆหากรู้สึกลื่นเท้ากว่าหินธรรมดาจึงก้มลงใช้มือ ง, งมมันขึ้นมาล้างโคลนที่ติดอยู่นั้นออกแล้วเขาก็ต้องตาโตด้วยความดีใจเป็นที่สุด ปูหอยเขาตะโกนลั่นหนองน้ำเจ้าหอยโข่งตัวนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากตัวหนังสือที่สลักเป็นชื่อเขาก็โตตามหนุ่มจเจริญดีใจจนบอกไม่ถูกปูหอยยังไม่ตายแสดงว่าเขาก็จะต้องมีชีวิตยืยนยาวต่อไปอีกหนุ่มน้อยออกแน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายและพ่อแม่พี่น้องหลังจากเรียนสำเร็จแล้ว คนอายุสิบหกหิ้วกระแตงหอยสาวเท้าเดินอย่างเร่งรีบตรงไปยังบ้านลุงสินมืออีกข้างหนึ่งถือปูหอยแน่นลุงครับดูอะไรนี่เขาู่อหอยโของอวดผู้เป็นลุงทันทีที่ไปถึงอะไรของเองวะไอ้แกลลุงสินถามภาพเด็กชายไว้ผมแกลยังอยู่ในความทรงจำของแกแม้บัดนี้ เขาจะกลายเป็นหนุ่มตัวพร้อมสูงแขนขายาวเก้งก้างแกก็ยังพอใจที่จะเรียกชื่อเดิมของเขาปูหอยไงล่ะลุงปูหอยอะไรเขาไม่เห็นเข้าใจที่เองพูดนั่นมันหอยโขงนี่นาครับหอยโขงแต่มันเป็นปูหอยนะลุงคือเป็นพ่อของพ่อหอยเขาลำดับญาติให้มันแล้วอย่างไง ลุงสินยังไม่ค่อยเข้าใจคือผมเคยเจอมันเมื่อสามเดินที่แล้วตรงหนองน้ำหลังบ้านตะแปะสงผมก็เขียนชื่อไว้ที่เปลือกของมันนี่ลุงเห็นไหมและผมก็นำไปปล่อยไว้ที่เดิมวันต่อมาผมพยายามจะงมหามันแต่ก็หาไม่เจอเพิ่งจะมาเจอวันนี้มันเดินมาที่หนองหมอกแกงนี่ได้ยังไงนะลุงทางตั้งสามกิโลถามอย่างแปลกใจเต็มที่ มันก็เอาปากเดินสิวะแสดงว่ามันมีความวิริยะอุตสาหะมากเองจำไว้เป็นคติสอนใจนาหลานว่าขนาดหอยมันเอาปากเดินยังเดินได้ไกลถึงเพียงนี้แล้วมนุษย์ล่ะมนุษย์เอาตีนเดินแท้ๆบางคนยังแพ้หอยคำพูดของลุงศิลทําให้หนุ่มเจริญได้ข้อคิดเขาตั้งใจแน่วแน่ว่า จะพยายามเรียนให้สำเร็จเจ้าปู่หอยตัวนี้จะคอยเตือนสติในยามที่เขาท้อถอยกินข้าวอิ่มแล้วเขาจะนำมันไปปล่อยยังหนองหม้อแกงตามเดิมทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยจึงไปรับเงินจากตะแปะพร้อมเอ่ยลาตะแปะ โอ้ขอบใจมากที่ทําให้อ้วมีไรายได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อั้วจะทํางานกับลือพรุ่งนี้อ้วไม่มาทํางานแล้วลือจะไปไหนลือจะไปทําที่อึงอย่าออกเลยอาตีแล้วอ้วจะขึ่งขาจ่างหายตะแปะสงต่อรองขอบใจโอ้วไม่ได้ไปทําที่อื่นหรอกแต่จะไปเรียนต่อที่บางกอกเมื่อเรื่องนี้ จะเดินทางเขาบอกเหตุผลใบเลียงบางเกาะตะแปะทำตาโตที่เขาเริ่มลือกันว่ายายของอติคนนี้รวยที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่ก็คงจะเป็นความจริงมิฉะนั้นคงไม่ส่งหลานชายไปเรียนถึงบางก่อถูกแล้วตะแปะคงอีกนานกว่าจะได้พบกันอีกก็ให้ลื้รํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ คำอวยพรของเขาคงจะถูกอกถูกใจตะแปะเพราะแกยื่นเงินให้เขาถึงสองบาทหกสิบสตางค์ทำไมมันมากนักละ่ะเขาถามงงๆอ้วกขึงให้ลือสองบาทไม่เอาดอกเบีย้ยกะลือคนมากไวกว่าอธิบายขอบคุณขอให้ลือมีความสุขมากๆนะเขายกมือไหว้ตะแปะและเปลี่ยนจากขอบใจ ขอบคุณจากบ้านตะแปะหนุ่มจเจริญไปแวะหาหนุ่มกันเชียงและหนุ่มจำรัดเพื่อแจ้งข่าวเรื่องจะไปเรียนต่อที่บางกอกในวันมาเรื่องนี้ข้าก็จะไปพร้อมกับเองหนุ่มกันเชียงว่าพ่อข้าจะฝากข้าไปกับพ่อเองเพราะแกไม่มีเงินค่าเดินทาง พ่อข้าไม่รวยเหมือนยายเองคนพูดน่าสลดลงข้าอิจฉาเองสองคนจังเลยวะ่ะหนุ่มจำรัดพูดบ้างก็ถ้าเองไม่ห่วงนางมะลิจะไปอยู่วัดกับข้าก็ได้นี่หนุ่มกันเชียงบอกเพื่อนข้ามันไม่มีวาสนาวะ่ะขอเอาเงินแต่งงานดีกว่าพูกเองกลับมาอาจจะได้อุ้มหลานหนุ่มจำรัดว่า เองมันดีแต่จะทำให้ผู้หญิงเขามีทุกข์หนุ่มเจริญว่าหนุ่มจํารัดเขายินดีที่จะมีนี่วาหรือเองว่ายังไงก็หนุ่มจารัดหาเพื่อนข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงรู้แต่ว่าข้าจะต้องไปเป็นเด็กวัดพ่อข้าจะให้พ่อเองช่วยไปทรงที่วัดสะเกศประโยคหลังเขาพูดกับหนุ่มเจริญ ไหนๆเราก็จะต้องจากกันข้าว่าพรุ่งนี้เราไปฉลองกันที่หนองสาหรายเอาไหมข้าว่านกกระสาชุมแล้วเกินหนุ่มกันเทียงชักชวนอย่าเลยจะไปอยู่บางกอกทั้งทีอย่าไปทำบาปเลยคนที่เคยไว้ผมแกละว่านึกถึงคำพูดของบิดาเมื่อวันกตันอยู่ที่ว่าคนทําปานาติบาตนั้นจะอายุสั้นงั้นเราจะไปไหนกันดี หนุ่มกันเทียงถามอีกไปบ้านพี่สาวค้าเออบ้านผู้ใหญ่ทรงนะพี่สาวค่าบอกจะให้ของขวัญผู้เองไปกับข้าหน่อยหนุ่มเจริญชวนอย่าเลยข้ากับเจ้าโกเป็นคนอื่นเผื่อพี่เองเขามีอะไรจะคุยตามประษาพี่ๆน้องๆข้าสองคนไม่อยากไปขัดคอหนุ่มจำรัดให้เหตุผลหนุ่มเจริญจึงต้องไปหาพี่สาวแต่เพียงลำพัง หนุ่มน้อยต้องเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งโน้นเขาจำยายนุ่นคนพายเรือได้ดีเพราะเคยโกงค่าเรือจ้างแก่ทุกวันสมัยที่ยังไม่ย้ายมาโรงเรียนฝั่งนี้ดังนั้นเมื่อขึ้นจากเรือเขาจึงเอาเงินให้แก่สิบสตางค์แล้วเดินขึ้นฝั่งพ่อหนุ่มลืมเอาตังท้อนางนุ่นตะโกน เมื่อเห็นเขาเดินขึ้นจากเรือนางต้องทอนให้เขาห้าสตางค์ไม่ต้องทอนหรอกข้ายกให้เขาบอกนางและพูดในใจว่าที่ข้าเคยโกงแกเมื่อสมัยเด็กๆนะ่ะหายกันนะนนะเด็กหนุ่มเดินต่อไปอีกสองกิโลเมตรจึงถึงบ้านผู้ใหญ่ส่งที่พี่สาวเข้ามาอยู่ในฐานะสภัายแกละเหรอขึ้นมาก่อน โอ้โหมายังไงเนี่ยเมียทิดพุธดีใจที่น้องชายมาหาขะคำเรือแล้วก็เดินมาเขาบอกอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนถึงค่อยกลับนะหล่อนชวนน้องชายก็ได้ถ้าไม่รบกวนพี่รบกงรบกวนอะไรละ่ะเดี๋ยวเองก็ต้องไปอยู่บางกากแล้วกว่าจะได้พบกันก็อีกหลายปีหล่อนเดินเข้าไปในห้อง แล้วหิ้วไถ่ใบเคืองออกมาส่งให้น้องชายอา้าวของขวัญข้ารวบรวมไว้ตั้งแต่วันรับวหายกะจะให้เองเอาไว้เป็นทุนเรียนที่บางกอกได้หนึ่งช่างพอดิบพอดีมันมากเกินไปข้ารับไม่ได้หรอกพี่เก็บไวเ้เถอะอีกหน่อยพี่มีลูกจะได้เอาไว้ซื้อกำไรสายสร้อยให้ลูกน้องชายรู้สึกาซาบซึ้งในน้าใจของพี่สาวไม่จาเป็นหรอก ของปลูกของยากเขามีเยอะเองเอาไปเถอะอย่าให้พี่ต้องเสียน้ําใจเลยนะพี่สาวอ้อนวอนก็ได้ข้าเอาครึ่งช่างก็แล้วกันอีกครึ่งช่างขอฝากไว้ให้หลานนึกว่าเป็นของขวัญจากข้าก็แล้วกันนะพี่นะคราวนี้พี่สาวกลับรู้สึกซาบซึ้งในน้ําใจของน้องชายหล่อ น, นำเมันครึ่งช่างไปเก็บไว้ในเรือนตามเดิมแล้วจึงเข้าครัวไปทํากับข้าว โดยมีน้องชายช่วยอาหารเสร็จก็พอดีกับคนไปไถนากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่ส่งและทิดพุธพี่เขยส่วนคนจมูกวีที่มาด้วยเขาไม่รู้จักล้างมือล้างไม้กันแล้วคนทั้งสี่ก็ลงมือกินข้าวคนจมูกบียังไม่กล้าร่วมวงเพราะเป็นลูกจ้างเขาเอาแล้มมากินพร้อมๆกันสิทิดพุธชวน นายคนจมูกบี้ที่ชื่อแหลมไอเอ็นไออัฟอมอินอิอังออไอคนชื่อแหลมตอบอย่างเจียมตัวทิดพุทธจึงขยันขยอว่ามากินเสพพร้อมๆกันนี่แหละกินทีหลังมันจะไปอร่อยอะไรทิศแหลมจึงเดินเข้ามานั่งร่วมวงทันทีที่เขานั่งนางจำเรียงก็ลุกออกไปอย่างรังเกียจหล่นตั้งใจว่า จะไม่ยอมกินข้าวร่วมวงกับไอ้บี้ผู้นี้เป็นอันขาดอุดตริชื่อไอแหลมข้าว่าชื่อไอ้บี้ยังจะเหมาะกว่าหล่อนคิดด้วยรู้สึกเดียดฉัน